เรื่องชักจูงสามีพัญญาพูดทะเลาะให้คืนดีกันหนึ่งเรื่องสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งทะเลาะกับสามีเดินไปบ้านมารดาภิกษุที่ใกล้ชิดตระกูลพูดชักจูงให้กลับเคืนดีกันแล้วท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศรหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเขาหยากันหรือยังไม่หยากัน พระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัดเพราะเขายังไม่อย่ากันวงเล็บเรื่องที่หก